ควรที่จะรีบทําอย่าโมโอแต่ผัดพ่อนหรือว่ารีรอแต่ในความเป็นจริงในสิ่งสําคัญในชีวิตเนี่ยนะมักจะถูกทิ้งเอาไว้ ท, ทําทีหลังหรือบางทีก็ไม่ได้ทําเลยสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะีมักจะถูกผัดพ่อน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 ไปชวนไปเที่ยวกันที่พัทยาเธอเป็นคนราชบุรีนะไม่เคยเจอทะเลเลยก็เลยคิดว่าไปเที่ยวพัทยาเสาร์อาทิตย์นี้ก็กันสุขเสาร์อาทิตย์กลับมาวันอาทิตย์ค่อยไปเยี่ยมป้าแล้วกั น, นเธอก็ไปเที่ยวพัทยาก็สนุกสนานกลับมาราชบุรีถึงโรงพยาบาลก็ประมาณเย็น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 ให้สิ่งที่ไม่สําคัญแต่ว่าดึงดูดใจมากกว่าหรือว่ามันมีกําหนดเวลาที่แน่นอนให้สิ่งเหล่านี้ก็มามาดึงความสนใจของเขาไปหรือช่วงชิงเวลาของเขาไปเสร็จแล้วพอมารู้ว่าสายเกินไปแล้วก็เสียใจฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดเราตระหนักว่าอะไรอก็ไม่แน่นอนนะ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 ตอนที่หลว ง, งพ่อชาหรือว่าตอนนั้นเรียกว่าเป็นพรชชาแล้วกันนะไปภาวนากับหลวงปู่กินนะเลเนี่ยท่านก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่นะมุ่งให้หลุดพ้นไปเลยนะท่านก็ภาวนานะทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมทำสมาธิงานอื่นท่านก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่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 ท่ารู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยใน้การต้องมาปะชุนไม่ต้องรีบทำให้เสร็จเร็วๆอาการอาการร้อนรนรีบร้อนของอหลวงพ่อชาตอนนั้นเนี่ยก็หลวงปู่กิน น, นี่ก็สังเกตก็เลยถามขึ้นมาว่าอท่านชานะท่านจะรีบร้อนไปทำไมผมอยากทำให้เสร็จไวๆครับเสร็จแล้วท่านจะไปทำอะไรก็ไปทำอย่างอื่นต่อครับเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วจะรีบไปทำอะไรก็จะไปรีบไปภาวนาครับหลวงท่านชานหรือหลวงพ่อชาท่านตอบหลวงปูกินีเลียก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านชาท่านรู้ไหมนั่งเย็บผ้าก็ภาวนาได้นะท่านก็ดูจิตดูใจกนท่านไปสินะแล้วก็แก้ไขมันให้ถูกต้องนะจะรีบร้อนไปทำไมนะทำอย่างนี้เสียหายหมดนะไอความอยากมัน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 อย่างอื่นไม่สําคัญเพราะฉะนั้นไม่ทําก็ได้หรือว่าถ้าจะทําก็ต้องรีดทําไวๆให้มันเสร็จๆระหว่างที่ทำํำนะก็คิดถึงแต่เรื่องการภาวนาอันนั้นแสดงว่ามันไม่รู้จักคําว่าภาวนาแสดงว่าการภาวนาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปแล้วอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสําหรับพวกเราได้ดีเลยนะว่าในขณะที่เรา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 ขึ้นชื่อว่าสติเนี่ยนะเมื่อใส่ลงไปในกิจการแดก็ตามนะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปทันทีเลยหลวงพ่อพุทธทาสก็พูดอยู่เสมอว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าเราทำงานอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เมื่อเรามีสติอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเราทำด้วยความรู้สึกตัวแม้แต่การ ยืนการนั่งการคู่เหยียดเคลื่อนไหวพระพุทเจ้าก็สอนให้แนะนําให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอในกายอนุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านก็จําแนกวิธีการต่างๆไว้มากมายวิธีการหนึ่งก็คือการมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในเรียบท่างๆไม่ว่าเดินไปข้างหน้าไม่ว่าถอยหลัง และหน้าเหลียวมองนะคลองจิวร น, นุ่งห่มเสื้อผ้าการกินการดื่มนะการอุจจระปัสสวะนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพูดหรือว่าอยู่นิ่งๆตราบใดที่เรามีความสึกตัวกับสิ่งนั้นนั่นก็เรียกเป็นการปฏิบัติแล้วนะเรียกว่ากำลังเจริญ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 รวมทั้งท ร, รมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะ ท, ทันทีที่เกิดผัสสะขึ้นนะภาวนาเนี่ยมันทำงาน ท, าทันทีหรือนั่นเป็นโอกาสของการภาวนาลก็คือว่าถ้ายินดีใจฟูก็รู้ถ้าไม่ยินดีใจแฟบนะเกิอดอาการยินร้ายขึ้นก็รูนะ้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนให้มัน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 พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนถ้าหากว่าเกิดอารมณ์อกุศลเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นเนช่นเกิดตัณหาเกิดพยาบาทหรือเกิดวิหิงสาหรือความต้องการเบียดเบียนทำร้ายใครเมื่อ น, นั้นเนี่ยมีสติรู้ใจไม่รับอารมณ์นั้นไม่รับ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 ไม่รับมันเข้ามาไม่เข้าไปเป็นมันอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดหรือว่าทําให้มันหมดไปนะอันนั้นก็เรียกเป็นการทําความเพียรแล้วแห้เวลาเรานอนอยู่ก็ทําความเพียรได้นะหากว่าเรามันตามดูรู้ใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเอไม่ว่าเราจะอยู่ในทางจงกรมหรือว่ากำลัง นั่งอยู่บนอาสนะเพื่อยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเรานะอยู่ในครัวเรากําลังตากผ้ากิจกรรมหรือสิ่งที่เราทําที่ว่ามานี้ล้วนมีความสําคัญเท่ากันนะตราบใดที่เราหมั่นตามดูรู้ใจอยู่เสมอนะอย่าไปอย่าไปให้ค่าว่าโอ้ถ้าเดินจงกรมสร้างจังหวะนี้สําคัญแต่ถ้าเกิดว่า ไปทําครัวนะซักผ้าตากผ้าอันนี้ไม่สําคัญไม่อยากทําหรือถ้าอยากทก็ทําแบบให้มันเสร็จเร็วๆนะแต่ใจนี่ก็คิดถึงแต่ว่าเมื่อไรจะได้ไปภาวนาสักทีเมื่อไรจะได้ไปเดินจงกรมสักทีเมื่อไรจะได้ไปสร้างจังหวะสักทีทําอย่างนี้ก็เรียกว่าสอบตกแล้วนะถึงแม้ว่าเวลาเราจะเหลือน้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องทําสิ่งต่างๆด้วยความร้อนรน